มีหลักอะไรบ้างในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะต้องเชื่อและถ้าไม่เชื่อจะมีผลอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศ า, ศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์นั้นยอมไม่น้อมไปเพื่อความเพียงเครื่องเผากิเล เพื่อประกอบหนึ่งเนืงเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจ